มีคนเขาจัดเลตติ้งพระตอนนี้เลตติ้งคนอยากฟังหลวงพ่อเยอะที่สุดทั้งๆ ท, ที่ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรที่ดูไม่ค่อยรู้เรื่องนะดูแหมมันน่าฟังแต่เดิมไปเรียนจากครูบาอาจารย์นะวันวันหนึ่งมีคนเรียนธรรมะไม่มากอ่ะส่วนมากไปทาบุญเท่านั้นแหละ ก็ไปหาหลวงปูเทศหาอะไรหลวงปู่สิมหนึ่งอาจารย์มหาบัวคนเรียนไม่มากธรรมะครูบาอาจารย์หลายวงค์ท่านบ่นว่าคนทางอีสานชอบทาบุญคนกรุงเทพชอบปฏิบัติแต่หลังๆท่านเลยลงมาภาคกลางกันเยอะขึ้นคนทางนี้ปฏิบัติมากทำไมปฏิบัติมาก คงจะทุกมากทุกมากนะวันๆแค่เปิดโทรทัศน์ก็ทุกก็แย่แล้วยังจะต้องมีเคเบิลทีวีให้ทุกมากขึ้นอีก <c oughs> เราแทบจะสำลักข้อมูลข่าวสารตายมีแต่ความทุกข์เยอะแยะไปหมดเลยจนกระทั่งเสื่อมศรัทธาต่อมนุษยชาติไปยังบางคนเริ่มเสื่อมศรัทธาต่อมนุษยชาติแล้วนะ คือรู้สึกว่าใครพูดอะไรนะไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงแนละ้ข่าวลวงข่าวลือข่าวอะไรต่ออะไรเยอะแย ะ, ยะคนก็สับสนมากนะใจก็เครียดเศรษฐกิจก็ไม่ดีก็เครียดการเมืองก็ยุ่งก็เครียดอีกสังคมก็พี่ลึกพี่ลั่นครอบครัวก็แตกสลายของเราอยู่กันมาจนถึงยุคที่ครอบครัวแตกสลายแล้วนะ ยงเวงนครอบครัวที่ยังมีธรรมะพาลูกมาเข้าวัดมาอนะไรอย่างี้มีกิจกรรมร่วมกันพ่อแม่ลูกปู่ย่าตาใหญอนะไรยางี้บ้านของคนทั่วๆไปนะั้นครอบครัวมันแตกไปหมดแล้วลูกก็ไปทางพ่อแม่ไปทางนะปู่ย่าตายหญ่ก็ไปตามยัถากรรมแต่ละคนมันไปตามยัถากรรมหมดเลยลูกเล็กเด็กแดงไม่มีการถ่ายทอดวัฒนธรรมถ่ายทอดค่านิยมอะไรที่ดีๆระหว่างรุ่นต่อไปแล้ว เด็กก็ไปเรียนจากเพื่อนมากกว่าหรือไปเรียนจากพ่อค้าเขาโฆษณาอะไรต่ออะไรสังคมทุกวันนี้มันย่ำแย่มากแล้วนะหาที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้เลยเราไปแก้สังคมใหญ่ทั้งหมดไม่ได้เราต้องแก้ที่ตัวเราก่อนทำไงเราจะเข้าใจมันเรียนรู้มันเข้าใจมันไม่หลงกลมันคนที่ไม่เข้าใจโลกก็เพราะว่าไม่เข้าใจตัวเองคนที่ถูกคนอื่นหลอกก็เพราะว่าหลอกตัวเองก่อน ถ้าเราหัดภาวนานะเราเข้าใจตัวเองอย่างคนเขาจะมาโฆษณาขายสินค้าเขามายั่วอะไรเขามายั่วโลภะเราการเมืองเรามาทําอะไรการเมืองมายั่วโทสะ ม, มันเป็นเรื่องมายั่วทั้งหมดเลยถ้าเรามีสตนะิรู้ทันจิตใจของเราเรื่อยๆใจเราไม่กระเพื่อมหมั่นไห้ไปกับโลกโลกมันกระเพื่อมของมันเองนหละคนในโลกมัน ต่อสู้แย่งชิงกันรุนแรงน้าใจของเรามีธรรมะอยู่นะคุ้มครองใจของเราได้อะไรเกิดขึ้นมันก็ทุกน้อยไม่ถึงขนาดไม่ทุกเลยหรอกอยังทำไม่ได้ที่จะไม่ทุกเลยแค่ทุกน้อยกว่าคนอื่นก็บุญนักหนาแล้วมีคนมาบ่นให้หลวงพ่อฟังเรื่อยนะพวกคนร่ำคนรวยบางทีมีลูกศิษย์คนหนึ่ง มีเงินเป็นร้อยล้า น, นทำธุรกิจเป็นร้อยล้านวันดีคืนดีล่มไปเฉยๆคงไม่รู้สึกว่าวันดีคืนดีหรอกนะรู้สึกวันร้ายคืนร้ายตื่นขึ้นมาธุรกิจล่มไปแล้วก็มาบอกหลวงพ่อว่าถ้าไม่ได้ธรรมะนะแต่กถ้าไม่ได้ธรรมะเขาขงคงฆ่าตัวตายไปแล้วอนาคตของเราไม่แน่นอนเลย เราต้องรีบพัฒนาใจของเราให้เข้มแข็งไว้อะไรเกิดขึ้นนะมันสู้ได้อยังทาธุรกิจเจ๊งไปใช่ไหมลองนึกถึงตอนเริ่มต้นตอนเริ่มต้นเราก็ไม่มีอะไรมีแต่ตัวมานะมีแต่ตัวตอนนี้ล้มไปสูดมลเหลือแต่ตัวก็ไม่ได้เหลือตัวเปล่าๆ <c oughs> อย่าคิดมากนะ <c oughs> ไม่ได้เหลือตัวเปล่าๆหมายถึงเรายังเหลือประสบการณ์ชีวิตอยู่มีทักษะ ต้องช่วยตัวเองให้มากนะไม่มีใครช่วยเราได้หรอกหลวงพ่อก็ได้แต่โฆษณา mm. ต่อไปเรียนธรรมะเรียนเพื่อยกระดับใจของเราให้เข้มแข็งใจที่ได้ฝึกอบรมนะมันจะค่อยๆ ย, ย, ยกระดับตัวเองขึ้นเป็นลำดับไปใจของคนในโลกนะี่เหมือนเรือลอยอยู่ในน้ำกระเพื่อมตลอดเวลา น้ำมันมีคลื่นใช่ไหมแผ่งขึ้นแข่งลงเรือเนี่ยก็เพิ่มตลอดเวลาเลยเราภาวนามากขึ้นนะเหมือนขึ้นมาอยู่บนบกแผ่นดินก็กรเพิ่มเหมือนกันนะแต่ก็เพิ่มน้อยกว่าสะเทือนเหมือนกันนะนานๆสะเทือนทีเรียกแผ่นดินไหวปกติเวลารถบรรทุกวิ่งก็สะเทือนละสะเทือนต่อมาเราพัฒนาตัวเองนะมันเหมือนขึ้นลูกบนลลูนลอยขึ้นไปบนฟ้า โลกข้างล่างกระเถือเนี่ยชักไม่เป็นอะไรละแต่มาเหมือนขึ้นเรือบินนะขึ้นไปสิบกิโลกว่าโลกข้างล่างหรือพายุมานะลอยเหนือพายุแล้วไม่เป็นอะไรฝึกไปฝึกไปเหมือนเป็นดาวเทียมห่างโลกออกไปละหลุดโลกละแต่ยังมีแรงดึงดูดบ้างพวกที่ฝึกจนเป็นดาวเทียมเนี่ยถ้าเทียบกับภูมิธรรมก็คือพระนาคามีภูมิของพระนาคามีพวกลูกบอลลูนก็เหมือนพระโสดานะ พวกนั่งเรือบินเหมือนพระสกทาคาบอนลูนแกว่งใช่หมแข่งพระนาคาเนะเหมือนเหมือนเป็นดาวเทียมยังดึงดูดอยู่กับโลกยังไม่พ้นโลกนะแต่ความกระเพื่อมของโลกนั้นมาไม่ถึงนะถ้าภาวนาจนถึงขีดสุดนะัเหมือนทำลายดาวเทียมทิ้งไปเหมือนเป็นความว่างเปล่าของจักรวาลนะมันไม่มีอะไรมากระทบถึง เราค่อยๆฝึกของเราไปทีแรกเราก็จะห่างโลกนิดหน่อยบางทีก็หลุดออกมาบางทีก็กลับเข้าไปรวมกันใหม่พวกเราที่ภาวนากับหลวงพ่อมาช่วงหนึ่งรู้สึกไหมบางทีจิตก็หลุดออกมาบางทีจิตก็กลับเข้าไปรวมกับกายกับใจไหมกับโลกคำว่าโลกในทางศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าบอกว่าท่านบัญญัติรูปนามขันหานั่นแหละคือโลกท่านบัญญัติบอกว่ากาย ซึ่งยาวประมาณหนึ่งวานาะประมาณหนึ่งคืบกว้างประมาณหนึ่งศอกมีสัญญาและใจคลองอันนี้แหละเรียกว่าโลกนล้วเราภาวนาเราจะรู้สึกใจเราห่างโลกออกห่างขันนี้เองห่างกายห่างใจเราเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึงนหน่ ง, นนงจิตอยู่ส่วนหนึ่งเราเห็นเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเราเห็นสังขารที่เป็นกุศลและอกุศลอยู่ส่วนหนึง่งจิตก็แยกไปอยู่อีกส่วนหนึ่งแล้วเราก็เห็นจิตเกิดดับ เดี๋ยวจิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับจิตเกิดที่หูแล้วก็ดับจิตเกิดที่ใจคือจิตฝีคิดเนี่ยแล้วก็ดับนะเราเห็นอย่างนี้เรื่อยๆไปพอเรารู้โลกแจมแจ้งโลกภายในนี้แจมแจ้งนะโลกภายนอกก็อันเดียวกันเพราะโลกภายนอกก็คือรูปกระ nam นั่นเองโลกภายในก็คือรูปกระ nam ตองมองโลกข้างนอกสิเนะ ม, มีแต่รูปประธรรมกระ n มาททั้งหมดเลย นั้นถ้าเรารู้โลกภายในแจ่มแจ้งไม่ยึดถือโลกภายในแล้วนะโลกภายนอกก็ไม่มีความหมายอะไรทุกวันนี้โลกภายนอกมันกระเพื่อมนะแล้วโลกภายในมันกระเพิ่มตามวันดีคืนดีโลกภายนอกยังไม่ทันกระเพื่อมโลกภายในก็เพิ่มเองแล้วทําให้โลกภายนอกก็เพิ่มตามอย่งอยู่ๆกิเลสมันปะตุขึ้นมาใช่ไหมไม่มีใครก็ทําอะไรอยู่ๆกิเลสพุ่งขึ้นมาไปไล่กัดคนก็ได้ กัดหมาก็ได้นะกัดหมาก็มีนะหลวงพ่อเคยเห็นไม่ได้กัดจริงๆหรอกหมายถึงว่าจ้องจับผิดหมาโมโหไม่รู้จะ โ, โมโหใครแล้วอยู่คนเดียวนะทั้งบ้านมีแต่ตัวเองกับหมาคอยดูเลยว่าหมาจะทําอะไรนะคอยดูจ้องจับผิดมันเน่ใจนะใจมันก็เพื่อมันไวขึ้นมามันก็วุ่นวายออกมากับคนอื่นเขาด้วย หรืคนอื่นมันวุ่นวายนะใจเราก็พลอยวุ่นวายไปด้วยไหมมันมีทั้งสองด้านเลยมันยิงอาศัยซึ่งกันและกันเพั้นเราภาวนานะเรารู้ทันจิตใจของเรานะจิตใจเรานี่ไม่ยึดโลกภายในแล้วมันจะมียึดโลกภายนอกไปด้วยกต่<ม>ทั้งกายนี้ใจนี้ยังไม่ยึดเลยแล้วจะไปยึดสิ่งอื่นทําไมมันไม่ยึดหรบ<ม>เพราะสิ่งอื่นมันห่างตัวเราออกไปทุกทีทุกที<ม>ตัวกายกับใจมันแนบอยู่กับตัวเรารู้สึกเป็นตัวเรา ถ้าตัวนี้ไม่ยึดก็ไม่ยึดตัวอื่นละหรือถ้าเมืไรเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราก็จะไม่เห็นสิ่งใดเป็นตัวเราอีกถ้าเมืไรไม่ยึดถือจิตก็จะไม่ยึดถือสิ่งใดอีกนี่ถ้าพูดเอาแบบย่อๆเลยนะตัวจิตให้ตัวหัวโจกเลยถ้ายังเห็นจิตเป็นเรานะเดี๋ยวก็จะไปเห็นสิ่งอื่นเป็นเราขึ้นมาได้อีกหรือไม่เป็นเราก็เป็นของเราขึ้นมาอาศัยจิตดวงเดียวนี้แหละเห็นผิดกับจิตดวงเดียวก็จะไปเห็นจิต เห็นผิดกับสิ่งอื่นยึดจิตดวงเดียวนี้แหลก็จะไปยึดขันอื่นๆหรือรูปนามภายนอกด้วยงั้นอาศัยจิตดวงเดียวนะไปสร้างรูปนามขึ้นมาได้สร้างรูปสร้างนามได้อีกอย่างเวลาตายร่างกายนี้ทิ้งไปจิตดวงสุดท้ายเรียกว่าจุติจิตในชีวิตนี้จิตดวงสุดท้ายจะชื่อว่าจุติจิตพอจุติจิตดับปั๊บเนี่ย ปฏิสนธิจิตในพบใหม่จะเกิดขึ้นทันทีไม่ใช่จิตดวงนี้ออกจากร่างนี้ไปเกิดใหม่แต่พอจุติจิตจิตตัวนี้เคลื่อนปับ๊บจิตดวงใหม่เกิดขึ้นเลยเนี้ยอาศัยจิตดวงใหม่ที่เกิดขึ้นมีปฏิสนธิจิตขึ้นมา ป, ปฏิสนธิจิตนั้นยังยังลงไปในรูปนามสร้างรูปสร้างนามใหม่ขึ้นมาอีกแล้ว ครอบครองรูปนามมันใหม่ขึ้นมาอีกมันก็เวียนไปเรื่อยเพราะว่าไม่เห็นแจ้งในอริยสัจถ้าวันใดพวกเราเห็นแจ้งอริยสัจนะเราจะรู้เลยว่ า, าศาสนาพุทธนะอัศจรรย์เหลือเกินนะอริยสัจสําคัญที่สุดนะถ้าแจ้งอริยสัจเมื่อไหร่ก็เข้าใจแล้วถ้าเราคอยรู้กายรู้ใจของเราไปเนี่ยจะทําให้เราแจ้งอริยสัจอริยสัจข้อที่หนึ่งชื่อว่าทุกข์ ทุกคืออะไรทุกก็คือกายกัะใจคือขันห้5หน้าที่ต่อทุกคืออะไรหน้าที่ต่อทุกชื่อว่าปริญญากริจปริญญากิจก็คือการรู้หน้าที่ต่อทุกคือการรู้เพราะงั้นหน้าที่ของพวกเราก็รู้กายรู้ใจไปรู้กายรู้ใจจนปัญญามันแจ้งนะกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราก็จะไม่เห็นสิ่งใดเป็นเราอีกไม่ยึดถือในใจนีนะ้ก็จะไม่ยึดถือสิ่งใดอีกนีบางคน คิดจะหาทางลัดแทนที่จะรู้ทุกการทําวิปัสสนากรรมฐานนั่นก็คือการรู้ทุกนั่นเองรู้ความจริงของทุกขความจริงของกายของใจบางคนได้ยินชื่อวิปัสสนาแล้วกลัวนะวิปัสสนาไม่ใช่เรื่องยากอะไรวิปัสสนาแท้ๆก็คือการรู้ทุกนั่นเองสิ่งที่เรียกว่าทุก์คือกายกับใจถ้าเราสามารถรู้กายรู้ใจไปเรื่อยเห็นความจริงของกายของใจอยู่เรื่อยๆนั่นเรียกว่าเราจเจริญวิปัสสนาอยู่ เนี่ยทางหลุดพ้นมีอยู่ทางเดียวก็คือการเจริญวิปัสนากรรมฐานนะคอยรู้ทุกไปเรื่อยรู้กายรู้ใจไปเรื่อยจะดูกายก็ได้ดูเวทนาก็ได้ดูจิตก็ได้นะจะดูสภาวะธรรมทั้งหลายกระบวนการของธรรมะทั้งหลายเขาทํางานก็ได้เนี่ยต้องดูอยู่อนี้กายเวทนาจิตธรรมเอาเข้าจริงก็คือรูปกระนำทั้งหมดนะนะั้นแหละคอยรู้อยู่ที่รูปที่นามที่กายที่ใจนะถ้ารู้จริงแล้วไม่ยึดถือในรูปนามเนี่ย คำ ว, ว่ารู้จริงก็คือมีวิชาร้างเอาวิชาไปพวกเราเรามีาวิชาเราไม่รู้ความจริงของรูปของนามเราเห็นว่ามันเป็นตัวเราเป็นตัวดีเป็นตัววิเศษเราทํำวิปัสสนาก็คือมีสติคอยรู้กายคอยรู้ใจดูว่าจริงๆมันเป็นยังไงมันเที่ยงไม่เที่ยงมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์มันบังคับได้หรือมันบังคับไม่ได้ดูอย่างนี้มากๆเนะีก็ละความเห็นผิดว่ารูปนามกายใจเป็นตัวเราได้นี่เรียกว่ารู้ทุก ทันทีที่รู้ทุกนะ่ะสมุทัยจะถูกล่าแตนมัติสมุทัยคือตัณหาหรือความอยากนั่นเองเราสังเกตดูเถอะความอยากทั้งหลายที่เกิดขึ้นล้วนแต่วนเวียนอยู่ว่าอยากให้กายเป็นสุขอยากให้ใจเป็นสุขอยากให้กายพ้นทุกข์อยากให้ใจพ้นทุกข์ถึงอยากได้สิ่งอื่นก็เพื่อให้กายให้ใจมีความสุขนั่นแหละอย่างนุ่มๆจะจีบสาวสักคนอยากได้เข้ามานะได้เข้ามาแล้วคงจะมีความสุขเห็นไหมจริงๆต้องการความสุขนะต้องการหนีความทุกข์ทุกคนแหละ นี่ถ้าเมื่อไหร่เราเห็นแล้วกายนี้ ใ, ใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆไม่ยึดถือในกายในใจเนี่ยความอยากที่จะให้กายให้ใจเป็นสุขความอยากจะให้กายให้ใจพ้นทุกข์ก็จะไม่มี <Yeah. S 1> รู้ทุกข์แกมแจ้งนะสมุทัยจะถุกละอัตโนมัติเลยทันทีที่สมุทัยคือตัณหาทุกละเนี่ยจิตจะเห็นนิโรธเห็นนิพพานในขณะนั้นเลยเพราะนิพพานคืออะไรนิพพานคือวิราคะความไม่มีตัณหาไม่มีความอยากไม่มีตัณหา ามไม่มีความอยากไม่มีตัณหานะใจเขาไม่ดิ้นรนไม่ปรุงแต่งใจเข้าถึงสันติสุขนะความไม่ดิ้นรนไม่ปรุงแต่งชื่อว่าวิสังขารก็เป็นชื่อของนิพพานอีกตัวหนึ่งนะแล้วใจก็เข้าถึงความสงบสุขอยู่ภายในนะเรียกว่านิพพานนิพพานแมาว่าสันติความสงบสงัดอยู่ภายในสงบจากทุกข์สงบจากกิเลสสงบจากความกระเพื่อมไห่ของาธาตุขันธ์ ในขณะจิตซึ่งเห็นนิพพานนั่นแหละเรียกว่ามักในขณะจิต ท, ที่เห็นนิพพานนั้นเรียกว่าอริยมักในขณะนั้นเกิดขึ้นขณะเดียวแลลวงั้นรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธในขณะนั้นเกิดอริยมักหน้าที่ของเราต้องรู้ทุกข์นะรู้กายรู้ใจบางคนเริ่มนอ ก, นอกริดนอกรอยหลวงพ่อเห็นมีบางคนมาประกาศวาทะนะไม่กล้ามาประกาศต่อหน้าหลวงพ่อหรอกไปประกาศที่อื่น บอกว่าอย่าไปดูจิตเลยอย่าไปดูกายอย่าไปดูจิตเลยเราทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ต้องทำอะไรเลยจิตมันดีอยู่แล้วจิตมันว่างอยู่แล้วเราไม่ต้องทำอะไรเลยจิตก็เข้าถึงความว่างนี่แหละนิพพานอยู่ตรงนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้สั่งสอนนะท่านสอนให้รู้ทุกถ้าเราไม่รู้ทุกแจ่มแจ้งอวิชชาไม่ถูกละถ้าอาวิชชาไม่ถูกละนี่ตัณหาก็ไม่ถูกละ ตัณหาไม่ถูกละนะการสร้างพบสร้างชาติการปรุงแต่งก็ไม่ถูกละความทุกข์ก็ไม่ถูกละการที่อยู่อยู่เขบอกว่าไม่ต้องรู้รูปไม่ต้องรู้นามไม่ต้องดูกายไม่ต้องดูจิตไม่ต้องดูอะไรเลยนะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างทําใจว่างๆไหมเป็นมิจฉาทิฏฐิที่ร้ายแรงชนิดหนึ่งไม่ใช่ศาสนาพุทธศาสนาพุทธท่านสอนให้รู้รูปรู้นามจนละอวิชชาได้ก็จะละตัณหาเข้าใจนิพพาน แต่ถ้าอ ย, อยู่่เรานึกจะเอาแต่ความว่างเราจะไปปรุงความว่างขึ้นมาเชื้อของอวิชายังซ่อนอยู่ในใจอวิชานั่นแหละพาให้ปรุงความว่างๆออกมาอาวิชาาเป็นปัจจัยของสังขารเคยได้ยินไหมเนไหะในปฏิจจสมุ ป, ปบาทพระเจ้าสอนบอกว่าอาวิชาปัจยาสังขาราอาวิชาาเป็นปัจจัยของสังขารสังขารคืออะไรสังขารก็คือความปรุงแต่งของจิต ความปรุงแต่งของจิตมีสามอย่าง 1. น, นงปรุงชั่วปรุงชั่วเนี่ยหลงตามกิเลสหลงเพลิดเพลินไปในอารมณ์อันที่สองปรุงดีคอยบังคับคอยควบคุมควบคุมกายควบคุมใจให้มันสงบให้มันเรียบร้อยให้มันดีอันที่สชื่อว่าอาเนชชาพิสังขารปรุงว่างว่างปรุงความว่าง งั้นที่ใครมาประกาศวาทะนะว่าไม่ต้องรู้กายไม่ต้องรู้ใจหรอกมีทางลัดเพื่อจะไปนิพพานให้รู้ความว่างไว้ทำใจว่างๆไม่ต้องปรุงไม่ต้องแต่งไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วดีเองไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วดีเองไม่มีในศาสนาพุทธนะสิ่งใดที่เป็นผลต้องมีเหตุทั้งสิ้นไม่มีหรอกดีเองสามใดที่เอาวิชา ย, ยังอยู่ก็ ย, ยังปรุงอยู่เห็นไหม นีไม่พ้นคําสอนของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าไม่เอาอะไรเลยเอาเข้าจริงก็คือความปรุงแต่งชนิดที่สชื่ออาเนนชาพ่สังขารรากเงาที่ต้องปรุงแต่งอันนี้ก็คือเอาวิชานั่นเองเพราะงั้นอย่าไปคิดนะอย่าไปเชื่อคําสอนชนิดที่บอกว่าไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วก็ใจบรรลุมรรคผลนิพพานไปเลย mm hmm. อันนั้นมันเป็นวิชาทิฐิชื่ออากริยทิตติ ไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วก็บรรลุเองเนไม่มีเหตุไม่มีผลบัรลุได้เองไม่ต้องทำอะไรเลยเป็นอากริยาทิฏฐิเป็นนัตถิกาทิฏฐิโน่นก็ไม่มีนี่ก็ไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มีตัวเราก็ไม่มีคอยคิดอยู่อย่างนี้เรื่อยโลกนี้ก็ไม่มีตัวเราก็ไม่มีกายก็ไม่มีใจก็ไม่มีคอยคิดอย่างนี้เรื่อยๆนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิอีกชนิดหนึ่งชื่อนัตถิกาทิฏฐิ เห็นมมิจฉาทิฐีนัตอนนี้มันสู้สาศาสนาพุทธไม่ไดนะ้มันสลายไปจากความเป็นตัวของมันเองแต่มันแฝงเข้ามาอยู่ในวงการาศาสนาพุทธนี่แหลนะเพะฉั้นถ้าหากเราจะเชื่อพระพุทธเจ้านะเราต้องรู้กายต้องรู้ใจต้องเจริญสติปัฏฐานนะต้องทํำวิปัสสนากรรมฐานรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไปเพื่อล้างอาวิชชาถ้าอวิชชาถูกทําลายแล้วความปรุงแต่งอย่าถูกทําลายความปรุงแต่งถูกทาําทลายนะ ความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ล้ไม่ใช่มีอวิชชาซ่อนเร้นอยู่ไม่ยอมรู้ไม่ยอมเห็นเหมือนเป็นมะเร็งนะไม่ยอมไปตรวจทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นบอกฉันไม่ได้ป่วยความจริงจะตายไม่ตายแหลอยู่แล้วทาเป็นไม่รู้ไม่เห็นเขาไม่รู้ไม่เห็นแล้วไปทําอะไรนี่มีอวิชชาอยู่ก็ไปปรุงแต่งกันสิเห็นไหมไปปรุงสังขารคือปรุงความว่างขึ้นมาฉะ้นเราต้องต้องรู้นะว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไร ท่านสอนอริยสัจสอนปฏิจจสมุปบาทสอนเรื่องสมถะเรื่องมีปัศสสนานะเรื่องสติปัฏฐานนะเรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องอายตนะเนะี่ยสิ่งเหล่านี้ต้องเรียนนะค่อยๆเรียนไปเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญานะสิ่งเหล่านี้ต้องค่อยๆเรียนนะมีสติขึ้นมาให้ได้นะแล้จะเกิดความงอกงามไพยบุญแห่งคุณรนะำความดีทั้งหลาย ขาดสติอกุศลทั้งหลายมันจะตามมาเป็นแถวเลยแต่ตัวสำคัญนะตัวที่จะทำให้เราเกิดกุศลหรืออกุศลเนี่ยอยู่ที่ว่าเราแยบไข่ไหมกุศลทั้งหลายเนี่ยมีโยนิโสมานาสิการเป็นตัวตั้งเป็นเหตุใกล้ให้เกิดอกุศลทั้งหลายนี่มีอโยนิโสมานาสิการเป็นเหตุใกล้ให้เกิดอโยนิโสดโยนิโสต่างกั น, น, นงไงโยนิโสนี่เป็นความแยบไายในการพริจารณา สอดคล้องกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนสิ่งใดที่ไม่สอดคล้องกับคําสอนของพระพุทธเจ้านะเรียกว่าอายนิโสทั้งนั้นเลยไม่แยบขายอย่างเราคิดธรรมะเอาเองนะเราน้อมใจเข้าหาความว่างเนี่ยเราบอกแม้ฉลาดเต็มทีและอะไรก็ ไ, รไม่ยึดอะไรก็ไม่ยึดถ้าแยบขายจะรู้ว่าไม่ตรงคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราแยบขายเราจะรู้เลยพระพุทธเจ้าสอนอะไรพระพุทธเจ้าสอนอริยสัจ อริยสัจข้อแรกคือทุกทุกคืออะไรทุกคือรูปนามกายใจหน้าที่ต่อทุกคืออะไรหน้าที่ต่อทุกคือการรู้เห็นไหมเมื่อพระเจ้าสอนนะไม่ใช่ว่าไม่ให้รู้ทุกไม่ให้รู้กายไม่ให้รู้ใจไม่ต้องรู้อะไรเลยนะแล้วอยู่ๆก็บรรลุไม่รู้อะไรเลยแล้วบัรลุเป็นไปไม่ได้ไม่รู้อะไรเลยไม่ยอมทําอะไรเลยทําเป็นไม่รู้ทําเป็นไม่เห็นก็คือการทำนั่นเองนะ แต่ทำเป็นไม่รู้ทําเป็นไม่เห็นทําเป็นไม่ทําอะไรเลยก็คือทํานั่นเองเคยมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านรู้จักคุ้นเคยท่านเมตตาหลวงพ่อสมัยหนึ่งท่านยังภาวนายังไม่ได้สมใจที่ปรารถนาเต็มที่แล้วท่านหลงป่าไปไปถูกฝนอยู่หลายวันนะแล้วก็อดอาหารหลายวัน ท่านก็ประเภทปลอดชื้นไปอยู่ในถ้าท่านคิดว่าครางนี้ตายแน่ๆเลยแตท่านก็เตรียมตัวตายนี่มีคอสเตรียมตัวตายเหมือนกันนะแต่ท่านไม่ได้เข้าคอสไว้ก่อนแต่ท่านจเจริญสติมาอย่างโชคโชนละท่านก็เอาผ้าอาบน้ําฝนน้ำมาเอาแต่งคีวรเรียบร้อยเอาเอาสังขติพาดบ่าเนี่เหมือนหลวงปู่ดุลรูปเนี่ยมีสังขติพาด แล้วท่านเอาผ้าอาบน้ําฝนมัดหน้า อ, อกไว้อีกทีเวลาตายศพขึ้นอื่ดเราจะได้ไม่โปะเห็นไหมท่านประนีตนะท่านแนบเนีย น, นเสร็จแล้วท่านก็นอนดูจะตายละดูใจของท่านไปเรื่อยๆโอ้ไอ้นอนก็มียึดไอ้นี่ก็มียึดนะท่านก็สบายใจเนื่นก็มียึดไอ้นี่ก็ไม่ยึดไม่เอาอะไรสักอย่าง น, นี่ท่านดูไปเรื่อยๆดีว่ายังไม่ทันตายนะท่านดูไปเรื่อย ๆ, ๆ ท่ก็พบว่ามันมีเยื่อใหญ่อะไรบางอย่างเหลืออยู่ท่านค่อยๆสังเกตว่าเอ๊ะนี่เยื่อใหญ่อะไรในที่สุดท่านก็เห็นความจริงเยื่อใหญ่ของความไม่เอาอะไรเอาความไม่ยึดเนี่ยเอาความไม่ยึดไอ้นนท์ก็ไม่ยึดไอ้นี่ก็ไม่ยึดแล้วก็อิ่มใจนะว่ามไม่ยึดเนี่ยเอาความไม่ยึดพอท่านเห็นว่าท่านไปยึดความไม่ยึดนั่นก็ขาดตรงนั้นเลยขาดทรุดไป โลกธาตุสว่างขึ้นมาท่านบอกอยู่ในถ้ำนะถ้าตอนกลางคืนมืดตึ๊ดตึ๊เลยที่คนโบราณชอบบอกมืดเหมือนเข้าถ้ำท่านเห็นถ้านั้นสว่างทั้งถ้ำเลยท่านก็นึกว่าโอสว่างแล้วมั้งแสงสว่างเกิดขึ้นนะเป็นพลังงานของจิตเกิดขึ้นท่านหายป่วยเลยเหมือนฟอกธาตุขันท่านหายป่วยไปท่านก็นึกว่านี่สว่างแล้วดูนาฬิกาเอ้ยยังไม่ไม่สว่างนะ ยังดึกอยู่เลยเนยท่านบอกท่านรอดตายมาะรอดตายทางจิตใจนี่ท่านก็รอดตัวแปลว่าไม่ไปหลงยึดความว่างอยู่พอเช้าขึ้นมานละ้ออกจากถ้ามาโอ้ไม่ได้ฉันอะไรหลายวานันละนะไม่มีแรงจะเดินออกจากป่าออกจากถ้ามานะมาเจอลิงลิงถือลูกมะละกออยูนะ่ให้มันก็ไม่ให้นะมันก็ไม่ใส่บาทหรอกมันก็ถือ มันอยู่บนต้นไม้นะถือถือแล้วมละกอตกลงมามันก็มองท่านนะแล้วก็มองมละกอแล้วก็มองท่านท่านก็นึกว่าเอ้มันคงอยากเก็บมละกอแล้วมันกลัวท่านไม่กล้าลงมาเก็บท่านตับเข้าถ้าไปถ้าเป็นพวกเราจะทําไงเราต้องแย่งก่อนใช่ไหม <laughs> ถ้ากินมนละกอไม่อิ่มต้องกินลิงอีกตัวง <laughs> <laughs> นี่ท่านไม่เอานะอท่านจะตายอยู่แล้วนะอดจะตายอยู่แล้วก็ไม่เอากลับเข้าถ้าไป เข้าไปนานเลยออกมาเอ้าลิงมายืนอยู่ที่พื้นนะถือมะละกอไว้ล้วคราวนี้มันไม่ถือเปล่าๆนะมันลงกลิ้งมาให้ท่านเลยหม้อมันใส่บาทให้นะบอกมะละกอลูกนี้นั้นถูกนกเจาะแล้วมีรูด้วยมีนกเจาะเนีไ่ได้บอกวันนั้นนัได้ฉันมะละกอเนี่ยอร่อยที่สุดในโลกเลยแล้วก็เลยมีเรื่องมีแรงเดินกลับมาเข้ามาถูก เห็การภาวนาต้องละเอียดต้องประณีตนะต้องละเอียดจริงๆไอ้นนท์ก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาก็เอากว่าไม่เอาไอ้นนท์ก็ไม่ยึดไอ้นี่ก็มียึดก็ยึดความว่ายึดความคิดความเห็นของตัวเองว่าจะไม่ยึดอะไรเลยไม่มีทางพ้นทุกเลยเนะงั้นถ้าเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าเราก็ต้องเชื่อทันต้องรู้กายต้องรู้ใจไปเรื่อยๆ มันยากอะไรนักหนาที่จะรู้กายรู้ใจเราต้องรู้นะว่าอะไรทำให้เราไม่รู้กายรู้ใจสิ่งที่ทำให้เราไม่รู้กายไม่รู้ใจนั้นก็คือโมหานั่นเองโมหะแปลว่าความหลงโมหะมีหน้าที่อะไรโมหะมีหน้าที่ปิดบังสภาวะไม่ให้เรารู้กายรู้ใจนี่หน้าที่ของโมหะโมหะคือความไม่รู้มีหน้าที่ปิดบังการรู้สภาวะทำให้เรารู้กายรู้ใจไม่ได้ เมื่อเราไม่รู้กายรู้ใจนะจิตใจเราก็มืดบอดนะมีผลเป็นความมืดบอดฉะนั้นเราคอยรู้กายรู้ใจไปนะตัวที่ทำให้รู้กายรู้ใจไม่ได้คือโมหะความหลงพวกเราสังเกตไหมใจเราหลงตลอดเวลาหลงมีหแบบนะเดี๋ยวก็หลงไปดูเราก็ลืมตัวเองลืมกายลืมใจตัวเองเดี๋ยวก็หลงไปฟังขณะที่ตั้งใจฟังก็ลืมกายลืมใจตัวเอง เดี๋ยวก็หลงไปดมกลิ่นหลงไปริมรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายขณะที่หลงไปเราก็ลืมกายลืมใจตัวเองเดี๋ยวก็หลงไปคิดขณะที่หลงไปคิดสังเกตไหมบางทีรู้เรื่องที่คิดบางทีไม่รู้เรื่องที่คิดอารมณ์ไม่เด่นชัดเรียกว่าอาวิปูตตารมอารมณ์ไม่เด่นชัดคิดอะไรก็ไม่รู้บางอารมณ์เด่นชัดเรียกวิปูตารมคิดแล้วก็รู้ว่าคิดอะไร จิตมีกำลังนะแต่รวมความแล้วก็คือเมื่อไรหลงไปอยู่ในโลกของความคิดเมื่อนั้นจะลืมกายลืมใจนะสังเกตให้ดีขณะที่ฟังหลวงพ่อพูดรู้สึกไหมบางครั้งมองหน้าหลวงพ่อเอ้าช่วยกันมองหน่อยนะเออมองได้ที่เห็นไหมเห็นแต่หลวงพ่อลืมตัวเองรู้สึกไหมลืมกายลืมใจตัวเองนะรู้สึกหมเกือบทั้งหมดใจแอบไปคิดแล้ว ใจหนีไปคิดดวกไหมใจหนีไปคิดขณะที่ใจหนีไปคิดเราลืมกายลืมใจของตัวเองนะขณะที่ด <isan> ูก็ลืมกายลืมใจขณะที่ฟังก็ลืมกายลืมใจเห็นไหมตอนที่ตั้งใจฟังหลวงพ่อเราก็ลืมกายลืมใจตัวเองขณะที่คิดเราก็ลืมกายลืมใจตัวเองเพราะฉะนั้นทั้งวันนะเราดูอยู่ตลอดใช่ไหมเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดทั้งวันก็คือหลงอยู่ทั้งวันเลย แล้วทำไงจะไม่ดูไม่ฟังไม่คิดหรือไม่ใช่ถ้าดูให้รู้ว่ากำลังดูอยู่ถ้าฟัง ก, รก็รู้ว่ากำลังฟังอยู่ถ้าคิดให้รู้ว่ากาลังคิดอยู่ไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะตอนนี้จิตไปคิดส่วนใหญ่จิตไปคิดรู้สึกไหมให้รู้ทันว่าจิตไปคิดไม่ใช่รู้เรื่องที่จิตคิดแต่ให้รู้ว่าจิตกาลังคิด ถ้าผู้ใดสามารถเห็นว่าจิตกําลังคิดพวกนั้นจะได้ต้นทา ง, งการปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรผลนิพพานครูบาอาจารย์องค์หนึ่งคือหลวงพ่อเทียนเคยสอนไหมนะหลวงพ่อเทียนสอนบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทา ง, งการปฏิบัติพระทันทีที่เรารู้ว่าจิตคิดนะจิตเราจะหมดจากโมหะจิตไม่จะตื่นขึ้นในฉับพลันรู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจ เราจะสามารถรู้กายรู้ใจตัวเองได้เมื่อไรลืมกายลืมใจนะเมื่อนั้นหลงมีโมหะนีการรู้กายรู้ใจก็ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งอย่าเพ่งกายอย่าเพ่งใจให้คอยรู้กายรู้ใจแต่อย่าเพ่งกายอย่าเพ่งใจเพ่งก็คือจ้องไม่ให้คลาดสายตาอย่าจ้องกายอย่าจ้องใจแบบไม่ให้คลาดสายตาเอาแค่รู้สึกรู้สึกเบาๆรู้สึกสบายร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึก ถ้าร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกโดยไม่เพ่งกายเพ่งใจต่อไปมันจะเกิดปัญญามันจะเห็นในร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุอย่างหนึ่งจิตใจที่เคลื่อนไหวนะก็ไม่ใช่ตัวเราเราบังคับมันไม่ได้มันเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่ามีปัญญามีปัญญาเห็นความจริงของกายของใจนี่แหละเรียกว่ารู้ทุกขนะ์ถ้ารู้แจ่มแจ้งก็ละอวิชชาได้ ละอวิชาได้นะใจก็พ้นจากความปรุงแต่งใจพ้นจากกิเลสตัณหาทั้งหลายนะพ้นความปรุงแต่งแล้วก็พ้นทุกได้จริงๆนี่เป็นทางเดินทางเดียวที่พระอริยะเจ้าทุกๆองค์เดินมานี่เป็นทางสายเดียวนะที่พระอริยะเจ้าทุกองค์เดินมาจนกระทั่งท่านรู้แจ้งอริยสัจทางสายเดียวนี้คือการเจริญสติปัฏ ฐ, ฐานที่เป็นมิปัสนา การรู้กายตามความเป็นจริงว่ามันเป็นไตรลักษณ์การรู้จิตตามความเป็นจริงว่ามันเป็นไตรลักษณ์ไม่มีทางที่สองเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นพระอรหันตุุกองตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาก็เดินอยู่บนเส้นทางสายเดียวกันนี้ทั้งหมดนะพวกเราก็ต้องเดินในทางเดียวกับท่านนะตามรอยเท้าของท่านไปท่านทิ้งธรรมะไว้ให้เรา เดินตามท่านไปเรื่อยๆ ร, รู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นอย่าเพ่งกายอย่าเพ่งใจใจลอยไปแล้วคอยรู้ทันใจลอยไปแล้วคอยรู้ทันนะแล้วก็รู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจแต่อย่าไปจ้องมันนะรู้เล่นๆรู้บ้างเผลอบ้างรู้บ้างเผลอบ้า ง, ปางไปเรื่อยๆนะวันหนึ่งจะแจม่มแจ้งขึ้นมานะเอา้าเชิญไปทานข้าว8ปดโมงเป๊ะเลยนะ